you <laughs> อนุโมทนาบุญกับท่านจเจ้าอาวาสผู้เป็นเจ้าของที่นี่และก็ขอคารวะกับท่านจเจ้าอาวาส ด, ด้วยที่เปลี่ยนบ้านให้เป็นวัดซึ่งเป็นการที่ยากมากที่เราสามารถจะสละบ้านให้กลายมาเป็นวัดได้าจากของส่วนตัวมันเป็นของสาธารณะชนเราถือว่าเป็นการ ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็ว่าได้นะเพราะสถานที่ที่เป็นวัดเนี่ยคือสถานที่วัดหาแซทที่ฮาแซทเนี่ ย, เ, ยเป็นที่เหมาะสําหรับที่จะทําบุญสถานที่นี้สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็กิจกรรมสิ่งอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนอกจากนั้นก็ยังใช้สำหรับ ใช้ในการฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะซึ่งล้วนแต่เป็นงานบุญทั้งนั้นแหละพวกเราก็ควรจะร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าอาวาส ด, ด้วยนะการที่เราสละสิ่งของมาทำบุญเนี่ยถือว่าเป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นการทำความดีจะเห็นว่าสังเกตผู้ที่บริจาคผู้ที่ให้เนี่ยจิตใจจะดีมีความสุข พวกเราเนผู้ฟังเนี่ยถ้ า, าว่าเราเราไม่ได้มริจาคอะไรเลยแต่เราก็โอ้ตรวจมือให้อานุโมทนาให้อันนี้ก็เป็นบุญเพราะว่าเรามีความสุขใจแล้วก็เป็นความดีด้วยทำความดีต้องสุขใจถ้าทำความดีแล้วทุกใจเนี่ยเราว่าทำไม่ถูกดีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท, ท่าน ที่มาร่วมใช้สถานที่นี้ในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมในการประกอบพธิธีทางศาสนาและการมาพบปะ ก, กันนี่ก็ล้วนแต่เป็นการบุญนะงั้นพวกเราก็ได้บุญเหมือนกันรู้สึกมีความสุขไหมที่ได้มาทำอย่างนี้ถ้าใครยังไม่มีความสุขหรือไม่รู้จักความสุขเปนอนยังไงลองทําบ่อยๆสิถ้าพวกเรา เราไม่มีโอกาสได้บริจาคบ้านส่วนตัวมาเป็นที่สาธนะไม่เป็นไรหรอกเราก็อาศัยออกร่างกายเนี่ยมาเป็นวัดเอาใจเป็นพระซะเราก็พอจะได้บุญกับเขาด้วยที่เราก็มาฟังธรรมของเราบ้างเนาะฟังธรรมะการฟังธรรมะก็ถือว่าเป็นบุญ ก็าเราฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังเมื่อฟังมาแล้วบางคนฟังมาแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยบางคนฟังมาแล้วแต่เม่ฟังอีกครั้งหนึ่งมันก็ชัดเจนขึ้นบางคนมีนความสงสัยอยู่ที่บ้านในใจเพราะได้ฟังอีกครั้งหนึ่งหายสงสัยเข้าใจขึ้นมากขึ้นคนฟังธรรมเนี่ยจิตไม่พุ้งร้านนะจิต ม, กมักจะสงบถ้าฟังเรื่องการเมืองลจิตฟุ้สร้าง เป็นความโกรธถ้าฟังธรรมแล้วจิตสงบมีความเบิกบานใจแล้วก็ถือว่าได้บุญผมพูดธรรมะพูดสิ่งมีสาระผมก็ได้บุญเหมือนกันเมื่อเราก็เลยได้บุญร่วมกันที่นี่มีความสุขด้วยกันมาทำความดีด้วยกันวันนี้ก็จะเฉลยควาว่าบุญ อยากทราบไหมว่าบุญหมายถึงอะไระพวกเราทําบุญแล้วบางทียังยังไม่รู้จักบุญเนี่ยจะชี้ให้ดูว่าบุญมันอยู่ตรงไหนนะอยากฟังคําตอบคำเฉลยไหมคนอยากจะฟังมากเราทำมันเฉยๆนะกดดันกดดันจิตใจเขาอยากจะฟังมากเราทาเฉยๆเป็นการกดดันจิตใจเมื่อไหรยย่จะต่อไป่าทีมี เป็นวิธีป้องกันคนแม่จิตฟุ้งซ่านไปนู่นจะได้กลับมาคนกำลังจะลับก็ตื่นเลยนะคำว่าบุญเนี่ยมันมีความหมายอยู่สามอย่างสาอย่างในตัวเราเนี่ยมีไหมบุญคือการทำความดีถ้าเราทำความดีแล้วคือทำบุญนะครฮะ เมื่อทำความดีแล้วเนี่ยใจเราจะมีความสุขจะมีความสุขขนาดทำความดีแล้วมีความสุขเนี่ยเรื่องของบาปความทุกข์ความเศร้าหมองในจิตใจเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมต่อค้ากับคําว่าบาปแค่ปาป ก, ก็ปิดกันะบุญปากอยูุบาปปาแบกบแบกไง บาปคือการทำความชั่วทำความผิดทำสิ่งที่ไม่ดีทำแล้วทำให้ใจเราเนี่ยเป็นทุกข์แม้ว่าทำไปแล้วไม่มีใครเห็นแต่เราก็เห็นนะเราก็เป็นทุกข์ใจเลยเราสามารถหนีกฎหมายได้เลี่ยงหนีกฎหมายได้แต่เลี่ยงหนีบาปในใจเนี่ยไม่ได้หรอกแม้ว่าเราทำผิดไม่ติดคุกติดตาราง เราไปอิสระออกมาแต่เราก็ยังนอนไม่หลับเพราะบาปอยู่ในจิตใจเราอุจจาะแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหม็นนะเพราะเราพวกเราไม่อยากทําบาปไหนก็อยากทําบาปนะกก็ทําบุญเยอะๆทำบ่อยๆทาทีไรมีความจบทุกทีทาทีไรมีความุบทุกที บาปในใจหรือความทุกข์ในใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นเองนะจะขอแนะนำเรื่องการทำบุญง่ายๆที่พวาเราสามารถทาได้บุญเกิดจากการให้ยิ่งให้ในสิ่งที่เขาต้องการยิ่งดีให้สิ่งของเนี่ยที่เรามีอยู่ที่มันมากมายเกินไปเท่าที่เราจะให้ได้ อย่างเรามีเสื้อผ้าเต็มตู้เลยอ๋อแบ่งคนเขาไม่มีสักตัวหนึ่งก็พอแล้วเรามีรองเท้าหลายคู่แบ่งเขาคู่หนึ่ง<ม>ก็ถือว่าเป็นการทําบุญเป็นการให้แล้วถ้ามีงาาเงินสักหนึ่งล้านเยนแบ่งให้คนไม่มีสักหนึ่งเยนก็ใช้ได้แล้วถ้ามีท็อปปี้ห้าเม็ดแบ่งให้อื่นสักเม็ดนึงก็ถือเป็นการทําบุญเท่าที่เราจะให้ได้แล้วเราไม่เป็นทุกข์แล้วก็<ม>เป็นการทําบุญที่ดี บางคนไม่มีสิ่งของ เ, เลยแม้แต่ทุกฟีสักเม็ดหนึ่งจะให้เขาได้อย่างไรจะเอาอะไรไปให้เขาอันนี้เป็นการให้ที่ไม่เสียสิ่งของไม่เสียเงินให้อภัยใครเคยทำให้ดีกับเราไว้เราแค้นมากเราโกรธมากให้อภัยเขาโดยการเปลี่ยนไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนี่คือให้อภัย ไม่ใช่ข้างนอกให้อาภัยข้างในมึงตายอันนี้คือให้อาภัยนะเอกไปก็คือให้การช่วยเหลืออัอย่างเมื่อกี้เนี่ยช่วยเหลือขวาดวัดยกเก้าอี้มาช่วยเหลือผู้ ก, การช่วยเหลือคนฟังทางําั๊คคือให้แรงงานให้เรามีความสุขสดชื่นไม่เจอถามถา ป, ป้าๆอะไรอาจารย์อะที่ความสุขไว้เนี่ ย, ยที่มาชาช่วย ร่างาวัดกวาดวัดเนะี่ยอย่างผมเนี่ยให้ใครไม่ได้หรอกไม่มีอะไรจะให้ก็เลยส ต, ตังสักเยนหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยของของผมเนี่ยไม่เคยมีเลยผมไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรทักอย่างเนี่ยก็อันนี้เขาบริจาคมาดัางคุณเอซื้อให้ดั่งหลายคนก็ช่วยเรามาคนให้ก็ได้บุญแต่เราไม่รู้จะให้สิ่งของใครเราไม่มี แต่ผมให้ธรรมะเป็นทางพูดธรรมะให้เขาฟังให้เขาสบายใจให้เขามีความสุขให้เขาพ้นจากความทุกข์ถือวเป็นการให้ครั้งยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นการให้ที่ดีที่สุดให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ที่ดีที่สุดให้สูงสุดให้สิ่งของไปเดี๋ยวมันก็หมด ให้สตางไปก็ไปใช้หมดบางทีไม่ได้ไปใช้ที่ประโยชน์หรอกเอาไปกินสาเกแต่ให้ธรรมะเนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้กับตัวเขาพัฒนาตีเขาได้สูงตัวาะเป็นการให้ที่สูงอันนี้คือเรื่องของบุญนะแต่วันเนี้ยเราจะมาทําบุญหลักอีกสองอย่างคือฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมฟังธรรมให้เข้าใจ ฟังทาได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมฟังเรื่องความจริงแล้วก็ปฏิบัติเรื่องรู้ความจริงเลยเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญขั้นสูงสุดเลยทําให้เราพ้นทุกข์ได้พ้นได้ตลอดไปเลยนะไม่ใช่ชั่วคราวและมีความสุขได้ตลอดไปไม่ใช่สุขชั่วคราว สุกจั่วกลาคือเ <ไป S 2> ดี๋ยวสุเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกอันนี้คือจ่วกลางม่ยังไม่ถาวรเขาเรียกสุกสูงสุสดก็เรียกว่านิพพานนิพพานการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าการภาวนาการเจริญภาวนาภาวนาหมายถึงทําจิตให้เจริญทำจิตให้เจริญเจริญจนกระทั่งกิงกเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ย อยู่ภายใต้จิต ท, ที่มันอยู่สูงกว่ากีเลสยกตัวอย่างไหมฮะบางทีเราอาจจะฟังได้ปัจจัยแต่ว่าตัวอย่างที่ยกนี่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราก็เห็นดอกบัวไหมรากบัวทุทท่นตัวเนี่ยมันจะอยู่ใต้น้ำไม่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะถูกเตา่าปูปลากัดไม่ปลอดภยัยนั่นคือภาวะจิต ท, ที่ไม่เจริญ จิตหมายถึงหมายถึงดอกบัวนะเรงอยู่ใต้น้ําถ้าเราปฏิบัติทำฟังทำปฏิบัติทำแล้วเนี่ยดอกบัวมันจะโผล่ค้นน้ําขึ้นมาแต่มันยังโตมอยู่นะยังไม่บางแต่พอได้รับแสงอาทิตย์ในยามเช้ามันจะมีการบานออกมาอันนี้ว่าสิตที่เบิกบานสิที่พ้นออกมาจาก ปัญหาผลจากความทุกข์พ้จากที่เด็ดแล้วด้วยการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบททัติธรรมตอนนี้เราได้แต่ฟังธรรมยังไม่ปฏิบัติเนี่ยใครรู้สึกแบบเบิกบานขึ้นมาบ้างไหมห <c oughs> รือยงังพูดอยู่ใต้นะเหมือนเดิมระวังถูกเต่ากินนะตัวไม่เต่าอะ่ะถ้าเป็นโดนเต่ากินโดนปูหนีบนะะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะได้ทําให้เบิกบานกัน เอาอีกสักหนอยหนึ่งนะการภาวนาเนี่ยการปฏีทินเจริญเนี่ยนะมันมีสองวิธีเขาเรียกว่ากรรมฐานสมถากรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานฟังสบายๆนิดเดียวสบายๆเขบอกสมถากรรมฐานแบบสนายๆน่าจะเครียด เพราะว่าเมื่อี้ฟังดูมีคนมีคนมักปฏิบัติมีนักภาวนาบ้างนะแล้วแล้วบางคนที่สนใจเนี่ยต้องรู้จักคำสองคำนี้มันต่างกันอย่างไรสมรถะ ก, กรรมฐานคือการทำจิตใจให้สงบเกิดความสุขในจิตใจแล้วเกิดฌานมีลทธิตเดชมีลทิ์ตาทิ่ผูที่ รู้จิตใจคนอื่นด้วยนะว่าเขาคิดอะไรไเราจะมีรทธิมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ไม่พ้นทุกจะมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังมีกิเลสอยู่แล้วบางทีจิตมันก็ไม่สงบมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เป็นสิ่งที่ยังยังไม่ถึงที่สุดของความทุกข์วิธีการปฏิบัติคือเวลาเพ่งเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในในตัวเรา เช่นลมหายใจเนี่ยเอาใจเพ่งลมหายใจใหายใจเข้ารู้เพ่งเข้าไปเพ่งเป็นโฟกัส hmm. เป็นไปฉายเป็นโฟกัสเห mm hmm. มือนไปฉายแต่มันสมดุลได้ไม่นานเดี๋ยว mm hmm. กลับมาผุ้สร้างนแต่งว่ามันยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ทาวอลยังจวงคลาวส่วนพิปัสนากรรมาฐานเนี่ยไม่ต้องเพง่แค่เพียงรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเรา รู้จักเรื่องของกาย ร, รู้จักเรื่องของจิตตามที่มันเป็นจริงมันอยากก่างแบบเนี่ยไฟในอ่อนเนี่ยนะไฟในอ่อนมันฉายแสงกว้างเนี่ยอันนี้ทัวร์ศนาถ้าเป็นสมถะกรรมานมันจะเป็นฉายที่โฟกัสอยู่จุดใดจุดหนึ่งไปฉายจึงเครียดมากกว่าไฟในอ่อนผู้ทําสมถะจึงโกรธง่ายผู้ที่ทำศาสนาเนี่ยจะผ่อนคลายว่า เวสนาได้รู้ความจริงละกิเลสความโลภความโกรธความหลงแล้วก็รู้ความจริงของอาการและจิตใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ปล่อยวางไม่มั่นถึงมั่นติดแลยหลุดพ้นดูเนื้อโลก โ, โ, โลกคือความทุกข์โลกคือกิเลสเนือโลกคือเหนือทุกข์แล้วก็เนือกิเลส ไม่ใช่ไปดูดวงจันทร์หรือดวงคานไม่ใช่เดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะปฏิบัติ่างนี้แหละแต่ขอเน้นอย่างนึงว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วในชีวิตข้างหน้าเนี่ยเราจะไปอย่างไรจะไปแบบหนักหนักหรือเบาเใาอยากไปแบบต่างหากเขาทำบาปเยอะๆยิ่งแกลมที่ไม่มีแรงก็แบกบาปไม่ไหว แต่ถ้าเราทำบุญเยอะๆทําบุญบ่อยๆแล้วก็จะเบาไปไเรื่อย<ะ>สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้แบกอะไรเป็นเลยพอ<ะ>เราเกิดมาเนี่ยเรากำมือมาแล้วก็ร้องไห้<ะ>เรากำมือแล้วก็ร้องไห้มาใช่ไหมไปถึงว่าอุจะเอาอูจะเอาเอาไว้ม า, ากมากไว้มากมาแต่เรื่องหนักมาแต่เวลา ไ, ไ, ไปเนี่ยแ บ, บมือไป เอาอะไรไม่ได้ทุกอยาก่างแม้แต่ตัวเราก็าออกไปไม่ได้าาการปฏิบัตินี่แหละการเจริญสตินี่แหละเป็นการปล่อยวาง อ, อย่ากินหนักไปเรื่จะเบาไปแค่นี้ก็คิดมากแล้วหนักแล้วอย่าคิดมากมันจะได้เบาไป